นางต่างสบายอะอเดีนหน่อย่าทั้งวันเหมือนกันคนนั้นไปเขาี้เมาเป็นเป็นพระนี่คือพอๆกัเป็นหมอถ้าเป็นประหมอก็ต้องเป็นหมอจิตตะวิทยามเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาให้ด่ามจิตใจ กินอิ่มนอนหลับถ้าฝันดีก็ไม่ไปหาพระฝันดีก็ไปตีบินสองตัวสามตัวพูะว่าฝันดีถ้าเกิดฝันร้ายขึ้นมานะอ้วาวดร้อนต้องมาหาพระอยู่ดีฝันอฝันหายจะเป็นอะไรไหม อที่ดีๆวันตรงคนที่จากไปแล้วหลายปีไม่ตกขังบนมันจะเป็นอะไรไหมมันมนุษย์เรานึ้งก็แปลกพอหมดลมหายใจแล้วมันไม่ใครอยากเข้าใกล้ ญาติสนิทมีแตหายลูกเต้าเราล้านทำเลียมไม่เกี่ยวกันตั้งแต่ทางใต้ทางอีสานเอาเร็วตัดลูกตัดพ่อตัดญาติอันหลังให้กันเลยพอถึงประชาชนเป็นลูกเป็นพ่อกันอยู่ดีๆหมดล่มหายใจตัดลูกตัดพ่อเลยเป็นลูกเป็นพ่อกันอยู่ดีๆ หมดลมหายใจเกิดความกลัวกลัวพ่อัวแม่เขาไม่รู้ว่ากลัวเพื่ออะไรเราก็ไม่หาเหตุผลนะทำไมต้องไปกลัวอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเรื่องดูผู้เสื่ออย่างดีให้ oh. าการเลีงยงดูให้การศึกษาจะมีการมีงานทำพอตายพวกนี้กลัว วันถึงนี่ก็หนักเลยเ็จะเป็นอะไรไห ม, มเธอที่นี่ว่าโอ้ห่านตายไปแล้วนะแล้วก็ยังนักถึงกันมาหากันทำไมไม่คิดอย่างง่ยดีว่าท่านมาดีเราไปตั้งตั้งเงื่อนไขว่ามาไม่ดีกับพ่อแม่ปู่ยา่าตายายคนไหนมันทำร้ายลูกหลานทำไมเราไม่คิดอีกมุมหนึ่ง ไปกลายเป็นความกลัวเรีว่าไผก็ไปหาทางแก้หมอดูหมอเดาสมเจ้าเข้าผีบอกว่าอ๋อถ้าอยากกินนั่นกินนี่เอาเข้าไปไปถวายพระบางทีก็อยากกินลาบดิบลาบเลือดเอาเข้าไปแล้วพระฉันได้ไหมนะตอนนั้นยังไม่พอบอกถวายในวัดไม่ได้ ตองให้ท่านมารับทานนอกวัดเพราะว่าเข้าไม่ได้เป็นผียังเข้าวัดไม่ได้พวกเราแสดียว่าตอนเป็นคนกันนักเกินเออพอตายไปเลยยังไม่รู้จักทางเข้าวัดดิควจะเข้าวัดได้ก็เข้าหามกันเข้ามาตอนแข้างขาอยู่ดีไม่เดินเข้ามา ต้องปล่อยเขาหามกันเข้ามาอนไอ้พวกเราก็อยากเป็นอย่านั้นอย่ากปล่อยเขาหามเข้ามาเดินเข้ามาเองเดินในสภาพที่มันร่างกายสรงางฐานกำลังอยู่ได้ไปได้มาได้ใหนอนอยู่เอดอยากจะมาก็มาไม่ได้หลายหลายคนบางอย่างจะเมาก็มีใจอยากจะมาเคยมาแต่มาไม่ได้ แต่ก็ยังดีจะดีตรงเ่ออย่างน้อยใจมันก็อยู่กับวัดอยู่ที่วัดอถือเป็นกุศลจิตนะงั้นพวกเราทุกคนที่เข้าวัดฟังธรรมจำเส้นทานของมุ่งไปทือสองเรื่องโดยเฉพาะในาศาสนาอิสลาคุณเจ้เาก็บอกแล้วภาระทุระ ของนักบวชนักปฏิบัติในทางศาสนาท่านไม่พูดเรื่องอื่นอาพุทธรุณทุระมีสองอยา่างคือเรีรนยนภาษางานงานแล้วก็นำสิ่งที่เรียนมาปฏิบัติภาษาปฏิยธรรมัคคันทุ ร, ระไม่ศาสนาทุระคุอคำว่าทุระ ตัวควาหมายทุระในทางศาสนามีสองความหมายความหมายหนึ่ง mm hmm. ก็แปลว่าเอกแห่ที่เข้าเทียมเกลียน เ, เทียมอะไรที่เกลียน ม, มาก็ใส่บาวัวใส่บาหมารถเทียมมารถเทียมควรเอาไว้ผักเอาไว้ดันดึงไปพนังเราเรียกว่าเอกนี่ความหมายหนึ่งแปลว่า ถ้าใครมีภาระก็ต้องนำเป็นโุระภาระที่จะนำเช่นคนมนุษย์เราถ้าได้เทียงแอกเมื่อไหร่ถ้าได้ขับเคลื่อนเมื่อไหรขับเคลื่อนก็หมายถาว่าอย่างเช่นเกวียนถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นไรอยู่เฉวิจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิง่งจิยู่กับตัวเองมันจะไม่เป็นไร ถ้ามันขับเคลื่อนไหลไปมาเมื่อไหร่เช่นวัวมันขยับไปขนาเมื่อไหร่ล้อมันก็หมุนเมื่อ น, นั้นะห้ามมันไม่ได้นั่นกับแล้วเมื่อตามไปที่เป็นความคิดคการพูดการกระทําของเราเนะขยับขับเคลื่อนชีวิตความประโยู่ของพวกเราล้อคือจักอันนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆใครยังมีกิเลสอยู่ก็เกิดกิเลสกิเลสก็เกิดการกระทําคือกรรม การกระทำสมารักษ์ก็รู้วิบากคือคนเขกากันกระทำนี่แหละจริงเรียกวัฏจักรโดยความหมายวัฏจักรเกิดจะความคิดมันวนไปเวียนมากลับมาที่เดิมลากไปลากมามันกลเป็นวัฏจัก ว, วนไปนะเรื่องเก่าเรื่องแก่้วกลับมาคิดมาวนอยู่อย่างนี้อันนี้คือธุระของพวกเราที่มีอยู่ฉันจับได้ที่วัวสองตัวนะ่ะ ยังขับเคลื่อนเราอยู่ยังมีคนขับอยู่ถ้ามีคนขับมันไปไม่ไ้องไอโวสองตัวนะ่คือนบุญนายบาบี่ขับเคลื่อนพวกเราให้ล้อมันหมุนไปในวัฏจะกรงสารอันนี้ตัวเทพบังคับให้เจ้าวัวที่เป็นบาปกับบุญหรือกุศลกับอกุศลนะขับเคลื่อนไปก็หน้ก็คือจิตก็คือคนที่ขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา นี่คือแอกทนะี่แปลว่าภาระทุระโดยความหมายในทางธรรมของพวกเราเพราะถ้าใครคิดได้อย่างนี้จะเกิดปัญญาอันนี้ความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองก็คือเป็นภาระเป็นธุระเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของวเราถ้าจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หน้าที่ที่จะเรียนรู้ สำหรับนักฝึกนังหันนักปฏิบัติไม่มีธุระอย่างอื่นที่ภูย่าท่านบอกว่าในศาสนาของเราเนี่ยธุระอื่นไม่มีมีแค่สองอย่างเท่านี้คือคันทำธุระอิปัสสนาธุระการทำธุระาการเรียนรู้รูปตน้นถ้าเป็นหมอเป็นอะไ ร, รก็เลยมนศึกษารูปร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นเรื่องของอนาตโตนีสรูปร่างกายตับไต้เจ้าพงแต่หมอก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไร ว้าชํำแหละลอ้อออกมาจินมเลือแต่ก็ดูเหมือนกันนะ่ะเหมือนกับครูใหญ่เราตั้งอยู่ตัว น, นี้ยอ้ถามว่าคนที่หมอ น, น่าจะปฏิบัติทำได้ดีกว่าเรานะไอ้ศิบหมอนเพราะว่ารู้ร่างกายสังขารมากกว่าเรารู้ละเอียดด้วยตับไตใส่โป่หน้าที่เขาทำอะไรแต่ก็ได้แค่สัญญาเนีเ่ยคือเราสัญญากับปัญญามันต่างกันตรงนี้เพราะมันไม่เคยปัญญา ก็ผ่าแล้วผ่าอีกรอกแล้วลแล้วอีกคนแกระดูอันนคือการตัดตัวละต้องเรียนรู้ถ้าพูดง่ายๆก็เราเขอนเราอันนี้ตัวตัวที่สองคือวิปัสสนาทุระขันธาทุระนะั่นมองไปที่ความสงบของจิตใจคือต้องการทํามันนิ่งเหมือนกับบัวเมื่อกี้นั่นต้องการให้เกิดกับชื่อเกิดกันนิ่งนี่คือขันธ์ทุระ ส่วนวิปัสสนาเราต้องให้เกิดปัญญาคุรธรรมปัญญาคืออะไรคำว่าคตตาธรรุระนี่การปรุงแต่งของนุของเรานะบูริกาเคาบอกเขามีสองอย่างคือสังคตะครับอสังคตะสังคตตะเพื่ อ, อจะได้นำเครื่องมาคิดมาปรุงมาแต่งมาหยุดมาหย่อนในวันนี้น่เราเรียกว่าสังคตะแปลว่าปรุงแต่งสังคตะตะทำทำได้ไปเพื่ออะไรถ้าพูดยังไงคือคันธ งงขันห้าเพราะฉะนั้นอิปรัชนาตรัคือต้องการใ ห, ให้เราเห็นขันห้าของตัวเองคือรูปเวทนาเนี่ยในการเห็นยังไงเห็นความเสื่อมของมันความเสื่อมคืออะไรความเสื่อมตั้งแต่เกิดขึ้นมาแต่เจ็บตายจนเห็นจนดับไปจนแตกดับไป คำว่าเห็นในตอนนี้ไม่ได้เห็นในตาเนื้อตาหนังตาธรรมดาถ้าเห็นตาเนื้อตานังเราก็ไปเพ่งคนเกิดแก่เจ็บตายก็จบมันก็ได้สัญญาตัวนึงแต่ท่านมุ่งให้เราเกิดปัญญาคือต้องเห็นด้วยปัญญาอภรรยาคือตานอกเนี่ยมันมันเห็นแค่รูปหยาบรูปข้างนอกส่วนตาใหม่คือปรสนาต้องเห็นด้วยตาใหนคือปัญญา ความน้ำกายของเราจะเรีกายกว่ากายหยาบกับกายละเอียดต้องเข้าใจตัวนี้ได้ให้ได้กับขันห้าเนี่มันไม่ใช่แค่หยาบหยาที่เราเห็นเข้าใจนิดนะึะมันจะมีขันละเอียดคือมารูปแบบของนิมิตคือแบบเครื่องหมายเวลานั่งสมาธิจะ น, นิมิตปฏิภาคานิมิตเป็นต้นแต่ตาไม่ตาไม่เห็นแต่มันก็ปรากฏมาเป็นรูปทางใจ ตัว น, นั้นอ่ะจะเรียกรูปรูปรื่อละเอียดส่วนรูปหยาบขนาดแจบหยาบเรายังไม่เข้าใจว่ารูปเวทน า, ยานอย่างนี้อย่างอันนี้ถ้าจับได้ที่เราจะไม่เห็นอันนี้ข้อเสื่อมของกันห้าเนี่ยเราเรสังกัฏฐธรรมจุดสังกตฏฐธรรมคือไม่มีอะไรปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้แล้วเราจึงเรียสุนัยวริพ า, านิพานนิพานคือมีปัจจัยอะไรมาปรุงมาแต่งคือไม่ได้เอาพวกนี้มาปรุงแต่ง ผู้แต่งไม่ไดเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสผลิพภัณฑมมาปรุงมาแต่งเรียกว่าอาักษรคาถคือไม่มีอะไรปัจจัยมาปรุงแต่งสิ่นี้ได้เรามีคาว่าปัญญาัรนก็บ่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความเสื่อมความสิ้นของไปตัวนี้ความแตกสลายขอนดับไปอันนี้วิปัสสนาก็ไม่ได้บอกวิปัสสนา พนักคำวิปัสสนาเป็นคาที่ละเอียดยิ่งใหญ่สําคัญมากๆไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครก็ได้เดี๋ที่เราเข้าใจกันมาเรื่องของวิปัสสมัฏาเราก็จะยกสมัฏฐาขึ้นมาแต่มันก็อยู่คู่กันสมัฏฐากับวิปัสสนาเป็นคู่กันสมัฏฐาเบื้องต้นเราต้องการให้มันใจเราจุดใจเรานิ่งอยู่กับตัวต้องการให้แก่เป็นกำลังใจเรามีพลังก่อนเราเคยเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอว่า เรื่องกายกับเัื่องใจกำลังของกายกับกําลังของใจมันแต่ต่างกันที่สึ้นเชิงกำลังของกายที่เ ก, ทกเกิดขึ้นก็ต้องมอเกิดการเคลื่อนไหวไปมาอย่นเดินเหินวิ่งวิ่งเร็ววิ่งช้าหรือยกข้อหรืออื่นๆมาทํางานร่างกายเราจะมีกําลังมีพลังแข็งแรงอะพูดง่ายๆถ้าอยู่เฉยๆนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแข้าก็จะลี่ไปลื่ไปเกิดแผลผุกองเน่า แต่กดทับปอดก็มาได้ออกกำลังกายอันนี้เราออ ก, กําลังกายแต่ถ้าเราออกขึ้นไหวไปมาเส้นจึงเป็นได้มาเขาเดินจงกลมต้องการให้ออกกำลังกายเราจะแข็งแรงสรุปก็คือกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องมือขึ้นไหวไปมาหนี่งเรื่อง ก, กายแต่จิ ต, ตรงละความจิตมันต้องอยู่เฉยเฉยมันจึงจะมีกาลังมันจะมีพลัง นั่ก็คือจิตสงบนันเองเพราะนั้นถ้าจิตไม่สงบก่อนไม่มีทางเราก็ได้แค่สัญญามาปรงมาแั่งเมื่อจิตสงบแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาศาสนาอะไรพัฒนาขั้นหา้านี่แหละให้เข้าใจในแต่ละตัวในแต่ละอย่างรูปเนี่ยมันคืออะไรอะไรที่เราเรียกว่ารูปรูปเป็นกองสําคัญอย่างไรคมันศพมันทุกเนี่เพราะอะไรรูปตัวไหนจึงเรียกว่ากอง การวาดกองมันต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนแต่ละกองแต่ละกองไปยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปให้มันจบกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามก็อีกกองที่ห้าเรียกว่าขันห้างกองที่หนึ่งนี่ก็คือดินนะไฟลงเดียกวกองที่หนึ่งก็คือรูปนะครับอันนี้คื อ, อยากเรียกว่ายากมากมาก ไม่ใช่หยาดธรรมดาเราก็อยู่กับของหยาบอันนี้ทั้งชีวิตคือคือยู่กับดินน้ําไปเราจะเรียกว่าร่างกายคนจะเรียกว่าคนจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายจะเรียกคนจะลาแต่มันองค์ประกอบมันก็เป็นช่นนี้มันดีมากไปกว่า น, นี้เนี่ถ้าองค์ประกอบเสียงมันขาดมันไม่มีมันเกินเช่นดิน มากไปน้ํามากไปลมมากไปไฟมากไปรวมแล้วก็ลําบากแล้วเรวาทุกขาเขาอยู่ไม่ได้มันก็จะลําบากแคไฟมากไปเป็นเป็นไข้ได้ป่วยน้ํามากไปมันก็เย็นดินลมก็เป็นเทมาเก็บไข้ได้ป่วยเพราะนไม่สามารถขีกันมันไม่เท่าเทียมกัน ผสุดท้ายเขาก็ต่างคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอันนี้คือกลองแรกกลองที่สองก็คือเนื่องจากสี่ตัวมันอาศัยกองแรกอยู่ถ้าไม่มีกล่องแรกอีกสี่ตัวข้างหลังไม่มีที่อยู่มันอยู่ไม่ได้ผูดง่ายคือตายจิตออกจากร่างคือรูปนี่แหละแล้วมันต้องมีที่อยู่มีที่ตั้งจิตมันจะเป็นลอยอยู่กลาอากาศไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมีที่เกาะ ชนทิฏฐิทิฏฐิที่ ต, ตังที่เกาะที่อยู่มันก็ไปเกาะอะไรมันไปเกาะรูปละเอียดอยู่รูปอย่างมันใช้ไม่ได้คือดีนะ่าไปลงหมดมันก็อาศัยรูปละเอียดเหมือนกับเราฝันนั่นแหละอธิบายง่ายๆเพราะทำไมเราฝันถึงเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตุเป็นต่๋อเห็นว่าฝันคนไปคนนี้มา เ, มเกิดความปรวนะแต่ว่าในขณะที่ฝันเราไม่มีเศรตฐีความแตกต่างในขณะที่เรา กังวันอะไอยู่เราเห็นทีเป็นรูปยาปนุเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกนึกคิดได้แต่สติยังไม่น้อยสติหมายว่าสติที่จะรู้ตามความเป็นจริงมันน้อยรู้แต่ว่าอันนี้คืออันนี้ น, นี้คืออันนี้อันนี้ชื่อนี้นั่นแหะคือสัญญามันทําหน้าที่อันนี้คือของเลยกล้องที่สองก็คือเวทานาที่มันอาศัยตัวนี้อยู่เวทนาคือความรู้สึก เรื่องสวยอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่เรารับมารับมาแล้วยินดีไม่ยินดีคือพอใจไม่พอใจคือชอบไม่ชอบหรื่องเฉยๆก็มีสามอย่างคนนี้แหละถ้าเราน้นได้ว่าอารมณ์ที่เรารับมาหรื่อเปน็นน้อน้นมันเป็นอารมณ์ประเภทไหนอารมณ์ที่เราชอบเราไม่ชอบหรืออารมณ์ที่มันเฉยๆเราไม่เคยสังเกต ไม่เคยพิจารณาถึงคุณถึงโทษของมันเราเอาแต่คุณอย่างเดียวเอาแต่ชอบอย่างเดียวไปเอจอที่ไปชอบไปเจอรีน่น่าลังเกียจนะี่คือคนส บ, บัดของเรามันจึงไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราไปดูอย่างเดียวเขามีสามคนเราคุยอยู่กับคนเดียวคือเจ้าสุกนี่คืออยากได้อยากครอบครองอยากให้มีอยากให้เป็นทุกวันทุกเวลา ก็จะสุขะเนี่ยจะสบายเนี่ยจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยส่วนทุกขะคือมันเข้ามาแล้วอึดอัดขัดเคืองรับไม่ได้อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ครับสิ่งเหนั้นแต่เราก็ไม่ต้อถามว่าทำไมมันทนไม่ได้ทำไมสิ่งเดียวกันนั้นคน อ, อื่นเขาทนได้ทำไมเกิดกับเราเราทนไม่ได้อาหารเพื่อเดียกันจานเดียกันคนอื่นกินแล้วบอกอร่อย เรกคินแล้วบอกไม่อร่อยเพราะอะไรถ้า ท, ที่จานเดียวกันถ้วยเดียวกันเราจะโทษอาหารไหมเราก็จะไปโทษอาหารครับคนที่ไม่ศึกษามาไปตะบักก็จะไปโทษอาหารโทษอาหารเยาวชนจะไปโทษคนกรงอยู่เนาะไปโทษร้านก็เอวร้านนี้ไม่อร่อยจานนี้ไม่อร่อยแล้วทาไมไม่ถามันถ้ามันอร่อยตัวที่มันอร่อยจะต้องทํำยังไงเราก็ไป่เคยคิดต่อรู้ตัวอื้อไม่อร่อย เราก็ไปโทษเน้นแล้วเราโทษปัจจัยภายนอกคือไม่โทษตัวเองจริงเกิดจากตัวเองทั้งนั้นแต่ไม่โทษเราจรึงไม่เห็นโทษของตัวเองเห็นแต่โทษของคนอื่นนี่คือธรรมชาติของคนของมนุษย์เพราะฉนั้นเราต้องมากลับกันรเราต้องต้องเห็นโทษเห็นทั้งคุณและโทษทุกอย่างมันถึงจะไปได้ แต่ทิะการให้ดีที่สุดคือวางได้ทั้งคุณและโทษคือวางอารมณ์ที่เราเสวยนั่นได้น่าติวยอดของนักปฏิบัติแต่ถ้าเรายังวางวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไมาจะไปสุขหรือตามทุกข์กตามแต่เราเสวยเรีเวกวทนายิ่งเวทนาเป็นครรมสัยกลางแปลว่าเสวยอารมณ์เมื่อ่ดเราจิตออกจากร่างไปเธอลงเธอร า, าคือไปเสวย เพราะเราจะไม่มีทําบุญทําบาปอย่างพวกเรานั่นนคือไปได้แคเเ่เสวยเสวยอารมณพวกเขาเหล่านั้นยังอิจฉ า, าพวกเราเลยก็ทําไม่ได้อย่างพวกเราเขาเหลือแค่สี่ตัวคือเวทนาเนี่แหละสัญญาสังขารวิญญาณแต่รูปนั่นเป็นรูปละเอียดที่ยึดเอาไว้เป็นรู ป, ปรชานลรู ป, ปรชาแนลนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุตรยาจะเข้าใจหลักการอันนี้เพราะว่า หลักการอันนี้มันมีทั้งสมัยพุทธกาลก่อนหน้านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ต่างเรื่องฌานสมัยรูปฌานรูปฌานท่านได้ตั้งแต่เป็นเด็กคือแต่ถ้าเป็นของดีท่านคงสารต่อแล้วเพราะนั้นปีชาสมาบัติแตกคือรูปฌานกับรูปฌานในสมัยนั้นถ้าใครเรียนจบวิถีวิสุทธิ์ยอดเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ แต่ผู้จ้างเร า, าอย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่ความหลุดพ้นเพราะยังติดในสิ่งเหล่านั้นอยู่ยองวางสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จึงแสวงหาโมขะคือความหุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแหละโ ม, มกฆะคุณโมฆะทำทำเพืา่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเรื่องนี้ไม่แต่ครูอาจารย์ยุคเราอันนี้เรื่องเล่าเรื่องตาําราเราต่อๆเราเดเจยงไงไม่รู้แต่เจ้าหน้าผู้ชอบน บุปผาหปู่ตื้อที่ท่านมีฤทธิ์มีเดชได้เพราะท่านได้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยแต่เขาก็คินว่าคิดว่าเส้นนี้ยดีที่สุดแล้วคือรูปรชานรูปชานาสุดยอดแล้วจะไม่ได้ไปสแสวงหายอย่างอื่นถือว่าอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจก็เลยอยู่มาเป็นพันปีวนไปเวียนมาจนมายุคสมัยหลวงปู่มั่นเรา บทศิษย์ลปู่ ม, มันจชี้นแนวทางจะมีความรู้พิเศษว่า ล, ลึกย้อนหลังโอ้เราเสียเวลากับสิ่งนั้นมาสองพันกว่าปีเลยแต่ไม่ได้แกรมันได้ดีนะดีคือรูปปชาญอย่างน้อยก็ไปที่พรมไปอยู่ที่ชั้นพรมก็ไปต่อได้แต่หมักก็ยังไปไหนมาไหนไม่ได้ไดไมนที่ความละเอียด อันนี้คือกบาลจางเงินของเราเติดโดยตัวเองเรารู้ว่าติดเข้าใจปฏิดีแม้แต่หลวงปู่เทสหปู่เทสของเราผมติดอยู่ในความสงบเราไปอ่านหนะังสือท่านดูอยู่ในความสงบนะเป็นซึกตื่นถ้าไม่เจอหลวงปู่มั่นพอหลวงมั่นไม่แก้ให้ก็เขาเ้าใจเราตัวเองหมดแล้วไม่มีอะไรลไม่สามารถจะอะไรก็ทบอระทั่ง คือมีอะไรก็รับได้เฉยๆก็ไปรภาวานาคือหวังได้แต่ไม่ใช่มันติดติดสมาธิว่ามันกับเปแียห์ห้องจึงเป็นที่เมารูเทวีต่างหลวงปู่เทพบรรลุรนี่ยิ่งอยากจะเราปฏิปทาในแต่ละสิ่เนี่ยอย่างน้อยก็ห้าทีสิบประทีปคือเพื่อเป็นคนกําลังใจไม่เช่นหลวงปู่เทพุเทพข้างเราคนที่เอาหลวงปู่ มาบสถจริงๆเด็กชายเทิดเรี่วแรงเงี้นก็คือหลวงปู่สิงห์คันธยาขมวนพาไปอุบลตอนนั้นยังเป็นเด็กชายเยาว์ชายเทิดเรี่ยวแรงเพราะฉะนั้นอาจารย์องค์แรกของอุปเทตก็คือหลวงปู่สิงห์ที่พาไปเจอหลวงปู่มันเพราะฉะนั้นหลวงปู่สิงห์ยังเป็นปรมาจารย์รุ่นใหญ่นอกเหนืออาจากหลวงปู่มันหลงวลงปู่มันปูเสาหลวงปู่เมาหลปู่เมาเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลย มันเป็นคือเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นบุญเที ย, ท ร, ยทรก็เป็นอาจารย์ไปศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กชายเนี่ะไปอยู่อุบลกับหลวงปู่ศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นหลวงปู่เทีในยุค ข, ของรุ่นลหลังหลังหลังจากหลวงปู่สิงห์แล้แวหลวงปู่เทศย์จะไปองค์ทคี่มี่รรษาเยอะกว่าเพื่อนเพราะหลวงปู่ตือก็ยติใหมหลวงปู่แหวนก็ยติใหมคน็ยังไงเพราะหลวงปู่เทีเราเนี่ย เป็นองค์ที่มภาษาเยอะแม้แต่ลุงดาวเขาภาษาหลังนะอนาจารย์่อันนี้คือปฏิปทาของครูบาอาจารย์ของคนที่พูดถึงเกี่ยวกับสมาธิคือสมถะอิปัสสะมานเป็นอย่างละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจด้วยตนเองว่าสมถะก็เป็นกุศโลบายคนที่ฐานเรื่องนี้ก็ผู้ใหญ่คือท่านหมหาปาละท่านหมหาปาระนะท่านบวตอนแก้วว่าต้างอยู่กับ ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วห้าพันสาผลแล้ววิจแสดงว่าสมัยนั้นเขาก็ถือวิ่นนะัยเนาะถ้าฟังกันได้ก็แปลว่าบวชเสร็จแล้วอยากเป็นพระใหม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นี่มีมาเป็นพันปีตั้สมัยพุทธกาลสมัยพุธทธเจ้าเลยนะซึ่งปัจจุบันนะบเนี่ยบวชเสร็จก็เอาลังให้บวชไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปทุ ด, ดงไปทะลุดงที่ไหนก็ไม่รู้ คนที่ไม่อยู่กับครูอาจารย์มันนี่ครูอาจารย์เป็นหลักไปทำเอาเองคิดตัวเองตามตอาตาศึกษาตามมันถึงได้เป็นอย่างเนี้ยมันถึงไม่ไปไหนมาไหนสมัยพุทธกาลยังไม่ได้ก็ต้องอยู่กับครูอาจารย์ห้าพรรษ า, ล 5, าลแล้วจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพเจ้า อ, องค์นี้บวชตอนทําอะไรไม่ได้มากแล้วถามว่าขาพอพระองค์ทรงชี้ได้ว่าข้าพระ อ, องค์ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ให้ศึกษาเรียนรู้ให้จําพุทธพจน์ครับข้าพมคงทําไม่ได้พออยู่เยอะคนจําเยอะจำได้ดุงพุทธเจ้าเลยเนี่ยว่าเธอก็ไม่ต้องจำเยอะถ้าคันธารธุระไม่ได้ก็อวิปัสสนาธุระคือจําพุทธพจน์บางบทหรือธรรมะพาสิบางข้อบางประการหลายข้อก็ได้เธอก็ดังเสิยงลาโอการาญิกน้องไปทําเอาไปปรบสิบัติ ก็คือต้นแบบของกันธาตระอปัสฌนาตัวกคือพูทธเจาบอกเพราะนั้นชัดเจนก็คือกันธาตุระนี้ตอนให้เราเรื่องกันศึกษาทั่วไปแม้แต่ปริยัติดูปฏิบัติเพื่อจิตสงบคือกุศ โ, โลบายเพื่อจิตความสงบส่วนนิพพานานะพูดนะต้องเห็นกันหน้าเห็นกันหน้าเพื่ออะไรเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่แล้วเหดับไปของมัน ยิ่งเห็นเร็วเท่าไหร่เห็นการเกิดการทั้งการดับเท่าไร่ยิ่งมีผลดีเท่านั้นแปลว่าเกิดเร็วดับเร็วนั่นก็แปลว่าจิตาวางได้เร็วนั่นคือความหมายคำว่าลิปัสชนะงั้นนะการที่เราเห็นสี่ห้าตัวนีคือรูปเวทน า, าสัญญาสังการวิญญาณทั้งห้ากองนี้จําเป็นต้องยกขึ้นมาดิขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจว่า รวบก็เป็นยังไงเวทนาตร็นี้สัญญามีคุณมีโทษอย่างไรในขณะที่เราจำจำจำจำอย่างเาเรียกสัญญาถ้าเรานึกได้ด้วยตนเองจะเรียกปัจจิตตังรู้ได้สํานึกได้ด้วยตนเองไม่จ้องมีทั้งใครบอกใครสอนที่เป็นธรรมาะปัจจิตตังแล้วก็ปัญญาแต่ปัญญานั้นตัดไปเป็นความละถอนปล่อยวางตัดไม่เป็นไปเป็นความยึดติดเป็นวิธีการยึดถือหรือโอ้โอวดผู้อื่น อันนั้นผมก็ไม่ใช่เนียต้องเป็นไปโดยความละตอนปล่อยวางเพราะคราอาจารย์ต้องจะไม่โอ้ไม่อวดจะไม่คุยทับถมคนอื่นเขา่อฉันไม่บอกว่านั้นผิดอันนี้ถูกเพราะเป็นถูกเรื่องของโลกเหมือนอร่อยไม่อร่อยไปบอกไม่ได้จริงๆแล้วไม่เคยบอกไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับอร่อยไม่อร่อยเกี่ยวกับคนเกี่ยวคนชอบไม่ชอบดังจะไปบอกอาหารอันนี้ไม่ได้งในโดยหลักหลักธรรมนะ ในทางปฏิบัติในทางศฤษฎ์มันก็บอกได้ว่าเออมันเป็นอย่างนแต่ในทางปฏิบัติพอเราไปปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีผห็ไม่มีถูกแตจจิตไปบังหวะนั่นผิด น, นั่งถูกอันนี้ดีนั่งไม่ถูมันก็ติดมันก็ข้องกับดีไม่ดูกนั่นแหละมันยังไงมันก็ชื่อว่าติดอัะนนะัคุณนักสมัครอันนั้นจะเรียกว่าสัตว์ของคือจิตเราไปข้องไปผูกไปพันอยู่กับสิงนั้น มันก็ไม่ไปไหนแม้แต่ชาญอรูปชาญอรูปชาญในการถ้าเรายังติดยังคล้องอยู่แต่มันเป็นบาทเป็นวิถีเป็นหนทางเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสิ่งหลงไปนะั้นในวันวันหนึ่งเราจะยืนเดินนั่งเลยทาไงได้หนึ่งมุ่งให้เรามีสติก่อนสติเรายกเข้ามาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ยืนไปมันชัดที่สุดในขนาดนั้นเป็นอารมณ์อะไร เกิดขึ้นในเิตในขณะนั้นยุคนพิจารณาทั้งคุณและโทษของมันให้เห็นเหมือนกับสอนในฝรั่งก็สอนว่าถ้าเราจะมีความจำดีนะให้ออกเสียงสองสามครั้งจิตมันจะจำเขาไว้เอนเออน่าจะจริงเหมือนเราท่องหนังสือท่องอัขยานเหมือนสปพพยดทีวยต้องออกเสียงจิตเขาจะจำ จำสิ่งเหล่านั้นแล้วลมันก็จําจําได้นานเลยเหมือนพระท่านสองยถาสัพพีนี่ก็ก็ลักษณะอย่างเนี้นี่ฝรั่งนะฝรั่งเขาศึกษาเขาวิจัยจิตพูดได้เขไม่เชื่ออย่างเราอันท้ยนี้จะเกิดความจำอย่างที่ ต, ต, ต้องต้องออกเสียงสองสามรอบสามสี่รอบสิบรอบอย่างนี้ไปแล้วมันจะจําจํามันคือจิตจิตตัวไหนจิตใต้สํำนึกไม่ใช่จิตทั่วไปจิตของคนนะ ลิศานคือจิตทั่วไปอาเรว่าสามันสัมนึกือจิตทั่วไปจิตใต้สัมเนกอันนี้เราไม่เห็นถ้าเราไม่ภาวนาจิตมันจะไม่เห็นมันจะไม่เกิดนีคือจิตใต้สัมเนธจิตเหนือสัมเนธต้องฝึกเป็นพิเศษมันจะเกิดขึ้นได้มันจะมีความสามารถพิเศษในจิตเหนือสัมเนธทุกวันที่เราใช้เนี่ยใช้แค่จิตสามันคือทั่วไปชื่อเรียกว่าสามัสนสัมเนธ แต่ถ้าสามัญสำนึกยังไม่ีนี่โอ้ดีห น, นักเลยจริงคือ ท, ทั่วไปธรรมดาพื้นๆเรื่อยสามัญสำนึกไม่มนีเออไม่ได้เพราะนั้นการปฏิบัติเราจึงอสองคัญการจะพิจารณาสิ่งหลน่นบ่อยๆจิตมันจะจำมันจะเข้าใจมาอยู่ในส่วนลึกของหัวใจมันไม่ใช่แค่จำก็เป็นแค่สัญญาเดี๋ยวปรเดามันจะจาเหมือน เวเรา ก, กรเราโมโเจ้าของคนม็ดีเวล้จําจังเลยกีย่ปีมาแล้วเห็นหน้าพบจังอยู่ดีดีอะไรพูดจาอะไรก็อารมณ์ดีอยู่ดีพอไปเจอหน้าคู่กรณีพุบเนี่ยอาความโกรธมาแล้วทางตัก่อนนี้ก่อนนี้านนั่งกับพูดกับเพืเ่อนจาเพืพ่อนผู้คนหัะคําอยู่ดีพอเห็นหน้าคนไม่ชอบจะอ่าไปขอเรื่องละกันนน ม, มันทําหน้าที่ของมันทันทีเนาะหรืถ้าเรารู้ไม่ทันสิ่งห น, นั้น ก็จะตกเป็นธาตุธาตุของความโลภธาตุของความโกรธธาตุของความหลงมันทำอะไรที่เขาเรยอัตโนมัติเพราะมันเก็บเอาไว้พราะไม่ปล่อยมันออกตั้งแต่ทีแรกเดจิตโมือชาลุงบอกบอกมันก็เอาเข้ามาสาาเนี้เข้ามาแล้วไม่ออกเหมือนกันสารน้ก็เหมือนกับกายคนนี้ก็เหมือนกับกิเลสที่มาจรมาเข้ามาในร่างกายคือจิตของเรา แต่เราไม่ขับมันออกอเราไม่เชิญมันออกเรายืนดีเราปอใจกับความร่วงของโกลงที่มีอยู่เรายืนดีกับไฟที่เป็นราคาตัวสวมางอยู่สิ่งตัวนี้มันก็นทําลายเรามันอยู่ในใจเราไงเพราะเราไม่เคยขับมันออกเพราะปัญญามันไม่เกิดอะได้กันนะตอนั้นตัวสติปัญญาเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสติมันทําที่คือระลึกคำว่าสติระลึกนึกขึ้นได้จนเกิดปัญญา แล้วก็วางอารมณ์นั้นได้นี่คือการฝึกต้องการให้เรามีคุณสมบัติอย่างนี้คือมีสติแล้วก็ปัญญ่นยาวไม่ใช่สัญญาแต่ถ้ามีสติสติคือรึกนด้แต่สัญญาอันทํำหน้าที่สัญญาไม่ดีมิตรไม่ดีสัญญามางมันทําหน้าที่ให้เห็นคู่กรณีคู่จัตุพวกนี้นอ้างมันก็เรียกสัญญาเหมือนกันเนะแต่เป็นสัญญาไม่ดี แต่ถ้าเป็นปัญญาคนนี้ปัญญาว่าเอาเรื่องมันมันจบมานานแล้วถ้าเป็นคดีความมันตัดสินไปแล้วสารตัดสินไปแล้วว่าผิดว่าถุกมันจบไปแล้วก็ถ้กเขามีปัญญาเขาก็จะคิดอย่างนี้จบแต่ถ้าไปต่อความยาวษาความยุดเหมือนกันพอรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารสังขาร์ก็จะไม่อยู่มันอะไรมาปรุงมันอะไรมาแต่ง อันนั้นการมาพบหรือพบขอการมันมีสี่ห้าตัวที่เอามาปรุงเอารูปมาปรุงคือสังขารมาคิดเอาเสียงที่ได้ยินมาทางหูที่มารับมาทางจานดาวเทียมมันก็จะบอกว่านี่เสียงดีเสียง่ะไรเพราะอะไรเสียงเหมือนกันอาจจเสียงเพลงบางคนฟังแล้วบอกอึดอัดบางคนฟังบอกไม่เพราะไม่ชอบเราไปโทดเพลงไหม ก็จกียโทษอะไร น, ะนี่คืออิปธิมาเขงเขามากพบรูปเสียงกลิ่นที่ ร, รับมานะไม้ว่าทางจมูกก็แดงทางลิ้นก็ตามที่มันสัมผัสได้มากล่นรถร ถ, รถมาอยู่ข้างนอกเดี๋ววางบนไปลเลยปลายลิ้นมันมันก็ไม่รู้เรื่องละมันอาศัยการสัมผัส ป, าปลายลิ้นอ่ะสัมผัสปุ๊บรถลิถถถน้นมันจะมีที่รับรถ กระจายว่า น, นี้รสชอบไม่ชอารสเข็มก็เพียวประมาณหน้าที่มันอยู่แค่นั้นสวนชอบไม่ชอบหรืออื่นไม่เกี่ยวกับมันนะต่อให้มาตัดลื่นออกก็ไม่เกี่ยวกับมันเสียงกลิ่นรสโอตพะคือผัสสะที่เรากะทบกระทั่งสัมผัส น, ะา น, านั่นัแหละธรรมารมคือทุกอย่างกรรมธรรมารมอารมณ์ที่เป็นธรรมธรรมุตธมะธรรมชาติธรรมดาธรรมปฏิคือหลกกักอื่นที่มันกะทบ สิ่งเวลนร้อนทั้งนั้นเรียกว่าทำเรียกว่าทำอารมณ์ทั้งนั้นเหล่านี้เราเอามาปรุงมาแต่งมันเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเรียนรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นรูปนะมันเป็นเสียงนะมึนเเป็นเรื่องอารมณันเกิดขึ้นเราไปคิดว่าเออมันตั้งอยู่ดับไปคืออารมณ์ของใจรักนั้นเพราะนั้นอารมณ์ที่เป็นตจรังจึงโอหมายที่ของนักวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจ และให้เกิดขึ้นให้ได้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งหยุดมันดับไปอย่างนี้ถ้าเกิดแล้วมันไม่ดับเนี่ยมันถึงเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเลยที่เป็นโจทย์ของเราเลยละมันเป็นโจทย์ที่ต้องหาคำตอบไปมันที่ต้องสลายปัญหานี้ให้ได้ด้วยตนเองอันนี้ปัญหาเรานี่มันสะสมมาของเราทั้งชีวิตมันเกิดขึ้นกับเราตั้งอยู่กับเราตั้งแต่มันไม่ดับ ก็คือบันทเพราเราไม่เห็นความดับของมันพลังการปฏิบัติเกิดมันต้องการกระบวนการมันตั้งแต่ต้นจนจบพบชาติมันอยู่ตรงนี้อาภะพบก็คือการมาพะรู้วรู้ประพบชาติคือการเกิดเกิดมาคุณจ่ต้องเจออย่างนี้แหละเจอกันเห็นกันเกิดกันกันแต่เราไม่เห็นไม่เห็นนาการเกิดกันตั้งอยู่กันไปที่พระพุทธเจ้าตบัสถ้าเราจะไม่เห็นของนี้เป็นของเสื่อมสิ้นสลายไป ในที่สุดอารมณ์ของวิปัสสนาก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดเมื่วิปัสสนาไม่เกิดยังไปเป็นไปุครบุนิพพิทาคือเบื่อหน่ายในะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนิพพิทาไม่เกิด อ, อ, อื่นก็ไม่ตามมานิพพิทาเป็าคาสันติทิพานมันก็ไม่เกิดมันก็หยุดแค่นั้นนะความหมาเขาว่าห้าตัวถึงบอกว่าถ้าใครยังไม่เห็นของพวกนี้ด้วยสังขตตธรรมคือทานห้พาพุทธองค์ ใครยังไม่เห็นกันฮะคนนั้นยังเชื่อมีกิจมีทุระมีภาระอันหนักที่ต้องจัดการของพูน้นี้แต่ท่านผูดด้ใดเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาจะไม่เป็นภาระจะไม่มีทุระกาทำอย่างนี้พระาจารยจึงใช้ว่ากิจอื่นที่จะทำนอกจาก น, นี้ไม่มีแล้วกิจกรรมทําสิ้นสุดลงแล้วหมดแล้ว หมดภาระหมดหน้าที่นั่นคือพระอาหารเท่านั้นที่จะพูดอย่างนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าท่านไม่มีภาระทุกข์ใที่ต้องไปทำนะกตังกะระมีอย่างกิจที่ต้องทำไม่มีเลยที่องพิจารณาอื่นที่ว่าเข้าใจเรื่องรูปสิ่งกริยบเจ้าระรูปเวทนานจันทังหันไม่มีแล้วจึเวงเลยว่าไม่มีกิจที่ต้องทำมี ภระธุระที่ต้องทำส่วนพระเรายังเป็นภาระยังมีเอิดยังมีปอกคออย่างลากไปอยู่คือลางคือเจ้าบุญจะบาปมัแต่ก็คือจะบุญจะบาปวัวสองข้างคือเจ้บุญเจ้าบาปวัวดำวัวขาวคือในกุศละอกุศลอย่างลากกเราไปอยู่ทุวนถ้าไม่เจ้ากุศลก็เจ้าอกุศลเราก็ต้องมาถามแล้วบากุศลกับอกุศลอันไหนมาเกิดมากกว่ากัน หลอกตอบได้กุศลแลือกุศลเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดของตัวเรานี่แหละบางคนมาทำยังไงถึงจะไม่ให้มันไม่ให้ไม่คิดมันได้หรือไม้ไม่คิดเลยมันได้หรือมันได้อย่างเดียวคือเข้าจิตจิตใต้สําน <climbed. S 1> ึกแล้วเข้าอย่างเดียวก็คืออัปปนาสมาธิถึงจะทําได้แต่อสปนาสมธิมันไม่เกิดเป็นอย่าง อัปปนาสติมันหลับลึกคนอยู่ส่วนลึกมันจะไม่เห็นข้างนอกปัจจัยภายนอกที่การทํางานของร่างกายภายนอกเย็นดอนอ่อนแข็งคนตกพระร่องมันจะไม่มีความรู้สึกคือไม่ออกมารับรู้ข้างนอกนั่นจิตส่วนลึกเรียกว่าอัปปนาแต่มีกําลังมีพลังพอถอนถอนถอนก็คือรู้ตัวขึ้นมามันจ ะ, จะรับรู้เรื่ออุปจาระ รับรู้เข้ามาโอ้ภายนอกมันเป็นอย่างนี้เยอะเวลานานช้าในขณะที่จิตมันก็อปรทษุมันไม่มีเคยรู้เพรนั้นคนที่เข้าสมาธิเรียนนานทําไมท่านนั่งได้นา น, า น, น, น, านแต่พระเซอร์เท็กมันไม่เกิดปัญญาข้อเสียงเขาคือไม่เกิดปัญญาข้อดีคือทำให้าาจิตมันได้พักไม่มีกําลังมีพลังสดชื่นกำลังมีเรื่องแรงเพราะจิตมันนิ่งอยู่กั บ, บที่แต่มันไม่รู้ตัวค่ะ ไอ้เขาก็เสียขเขาแต่ข้อดีเขาก็มีมันเพราะนั้นประเภทดันท่านั้นที่จะไม่สามารถธิมารับรู้ข้างนอกได้แต่ถ้าอยางรับรู้ข้างนอกได้อยู่อุปจรารสมาธิมันจากแล้วจะบอกมาให้เป็นชิดด้วยไงก็เป็นที่มาของมันยังมีรูปยังเห็นรูปอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่ไม่พรุงเรยไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาเพราะนั่นคือเขาทําหน้าที่ตา มีหน้าที่เห็นเท่านั้นหูไม่อทีได้ยิ น, นส่วนได้ยินแล้วชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับหูตาเห็นรูปชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับตาเราเข้าใจเป็อย่างมานานถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตอนโอมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับหูแต่เขาทำหน้าที่ของเขาเรีวยกว่าอายัยตนิยะแปลว่าเชื่อมต่อตัวเชื่อมตัวต่ออยียกอจนะัอจฉระอัจฉะภายนอกอัจฉระภายใน เขาเชื่อมต่อกันถ้ามันไม่เชื่อมกันมันสื่อสารกันไม่ได้มันเช่นหูมันไม่ได้ยินอะไรเลยไอ้คนหูหนวกเขามันสื่อสารกันตามีเหมือนพวกเราแต่มันไม่เห็นไม่เห็นภาพมันก็สื่อสารไม่ได้เนื้ออาจจะละอายตระละมันไม่ทําหน้าที่ปั้นนือแต่มันทําหน้าที่ในดาวอนเีขยายนอกขยายไปไนจะเรียกว่าตัวเชื่อมอันนี้คือหลักดัเพราะนั้นเรา เมื่อเราพิจารณาก็พิจารณาอย่างนี้ยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นทั้งห้ากองตามความเป็นจริงเพราะนั้นอธิษฐานที่หลวงพ่อเล่าฟังให้ถังของหลุงปู่ทงอินพระพิจารว่าขอปฏิบัติภูชาเบืร์นต้นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระยาคือพระบริสุทธิที่คุณพระปัญญาแต่คุณพระบางขณ น, น, นที่คุณขมังคุณของพระยาคุณของพระพธรรม เป็นสวัสดธรรมหงคุณของพระ อ, อริยสงฆ์ต้องเน้นว่าอริยสงฆ์ข้าพเจ้าขอปฏิบัติธรรคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของอริยสงฆ์ขอให้ใจของข้าพเจ้าสงบระมัดตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรับรู้ในกองสังขารเห็นไหตจำได้ว่ากองสังขารคือกองหนึ่งต่อสิห้าสังขาร ในกองสังขารด้วยปัญญาสุดท้ายแต่เราฝังสารด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาที่เรรู้สึกเพีแค่บางอย่างนั่นคือการอ่านการรู้ปู่ทองอ่นสุดท้ายก็ต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าใครทำอย่างนี้เห็นด้วยปัญญามาเลยว่ากองไหนก็ตามเห็นแค่กองเดียวก็ตามคืออาจจะเป็นกองรูปอันนี้กองลูกคือดินน้ําไฟลมเป็นเจ้เข้าใจแต่ตรงจุนเป็นข้างใน คือเอาไว้ว่าตัดใจใช่พุงใช่น้อยเส่เยอะของเราก็เป็นของเสียทั้งหมดนป่เราอาชพะอันนี้คือตัวรูปตัวกนะวองรูปก็ก็มีนะอกองเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆให้ดูให้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปอย่างไงอย่าไปเอาแค่ชอบหรือไม่ชอบนี่แสดงเราเลือกทางมันก็คื่ออคติอย่างนี้ยพูดง่างๆไหมเรองงมอาอคตินี้มาตลอด จะไปคิดตัวเองไม่มีอากคตินะเราอาคาตินี้มาเราเราถึงได้เป็นอย่างนี้เราเราถึงมีได้มีเพื่อนแค่คนเดียวมีเพื่อนเพื่อนน้อยดีไหมเราไม่เข้คไปอะไรเป็นเพื่อนคคนเดียอะเพื่อ น, นเจ้าศกนี่แหละมาอะไรก็ถามหามาอะไรก็คุยกับเจ้าจีุดเจ้าทุกเลยไม่คุยเลยแล้วก็วางไม่ได้โอเปต้าก็ไม่จะวางอย่างงั้น มาก็ทํา ท, ท, ทําทําหน้าไม่ถูกพอเจอาทุกปานทาหน้าไม่ถูกหน้าเนิวคิ้วขหมดเลยไม่ชอบไม่ชอบคี้หน้าเลยแล้วท้าวผู้ริเจ้าสอนอยังไงก็แต่ปานที่เดิมใหนน้นึกถึงผู้ริเจอนึกถึงวัฒน์ธรรมนึกว่าให้อรสงเอาไว้เป็นหลั ก, เ ป, กเป็นเกินเป็นเกินในความคิดไม่ใช่เอาตัวเองเป็นเกินเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทุวันเราเอาใจใจของตัวเองไปทีตั้งพื่อเอาเขอบชอบอไม่ชอบ แล้วชอบไม่ชอบไปตัดสินคนอื่นอยู่ต่างหากมันก็เลยเป็นสบาย่าหรือเป็นอย่างนี้เพราะนักภาวนาไม่ควรจะเป็นนักภาวนาแต่ยิ่งไม่ควรจะเป็นโดยเฉพาะสิทธิมีครูสิที่มีอาจารย์ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้เราสิทธิมีครูสิทธิมีครูบางางานก็เป็นเป็นสิทธิเฉย ครูไหนก็ไม่รู้คณะพวกเราถือว่าเป็นเป็นศิษ็จเป็นครูครูของดีเราคือพระพุทธเจ้านะครูคือผู้สอนพูดถึงครูเนระียนึกถึงผู้สอนมันบูนถึงผู้สอนกระต้องนึกถึงผู้เรียนเวลาท่านถ่ายทอดคือผู้เจ้ขเราถ่ายทอดออกมาเป็นกระโปรงกระตามที่เราสืบทอดกัมากระตามแต่เราไม่เรียน่ะ มีแต่ผู้สอนมีแต่ครูแต่ไม่มีนักเรียนอลยมันจะได้ผลไหมครูเขาไปในห้องมีแต่ห้องว่างเปล่าอัศวัสดีใครดีจะสอนใครดีหรือเพราะาเราไม่มีใครเรียนคือเราไม่เรียนไม่ป ร, ริญญาป่ะแล้วประ เ, เจ้าเราจะสอนล้วได้ยังไงไมีเพราะนั้นมีผู้สอนต้องมีผู้เรียนต้องเป็นผู้เรียนที่ดีเลยเนาะ เป็นลูกศิษย์ที่ดีนักก็ฝาพวกเราทุกคนนะขอให้เรามีครูที่ดีที่สุดแล้วอย่าเลยเป็นนักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดีเป็นผู้ตามไปเลยมีผู้นําที่ดีสุดเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีเราจะมีทั้งพุณนะผู้นําเราก็เป็นผู้ตามที่ดีแล้วเราเกลี้ยกล่ไอ้สองเป็นผู้ตามจะดีเราก็จะเป็นผู้สืบทอด คือบอกต่อว่ากล่าวตักเตือนสอนต่อบอกต่อบอ เ, เหมือนพรอแม่เขาไว้จ้าลุนแล้วรุนเราบอกต่อต่อขมาสืบสืบต่อต่อขมาเพราะว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติบือปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วจึงชื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่ใช่แต่มนองของโลกหมากว่าพร้อมที่จะเหมือนตอนเนี้หน้าผลแล้วถ้าเป็นชาวนาก็พร้อ ม, อ ม, อมที่จะทายหวาน เพิดลงไปถ้าขี้ไร่ที่นาตรงนั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมพืชไร่นาสวนก็ได้ผลผลิตที่ดีเพราะมีความพร้อมเหมือนกับทบุญกับพระผู้ปฏิบัตินีปฏิบัติชอบก็พร้อมเราก็ได้ควางกว่าแต่เอาข้าวไปหวานในที่ที่ไม่ควรจะหวานมันก็เกิดมันก็เกิดล้มแหลมล้มแหลมได้ผลไม่เพียงพออันนี้คืออันที่สอง การปฏิบัติธรรมก็เฝา้าผู้เราทุกคนว่าอย่าได้ประมาทเรามีโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมจําศีลภาวนาศิษยมีคู่ที่อาจารย์คือพระแม่ครูาอาจารย์เราเนี่ยนะก็ให้เราสํานึกสำเร็กเบื้องต้นสามัญสํานึกนี่คือจิตสํานึกก็ยังอยากให้จิตสํานึกแต่อย่าให้ใช้บ้างให้สูงคือจิตเหนือสํานึ ก, แ ต, นนตนกแต่เราไม่ฝึกเจ้ามาจากไหน กิจนารเสนอมันไม่มีคุณสมบัติพิเศษแล้วมันไม่มีไม่กแต่ถ้ามันเกิดแล้วจะเป็นปัจจดตังมันก็รู้เฉพาะตนก็ทงหมดทั้งหมดเนี้ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายถ้าใครทำได้เขาจะเชื่อยั่สมบูรณ์ทั้งธุระสองอย่างคือทั้งกัจธุระและก็วิปัสสนาธุระเพียงแค่นี้เอง เราไปรับประโยชน์จากการเกิดเกด่เจ็บตายในภพชาตินี้การเกิดเก่เจ็บตายของเราภพชาติที่นี้อยู่มันก็จะลดน้อยลงแต่ทีเียวไม่เกินเจ็ดครั้งคือเจ็ดชาตินั่นแหละตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ไม่น่าจะเป็นพระอันหนึ่มั้งเพราะเกิดแล้ตายตายแล้วเกิดมาสองพันกว่าปีมาแล้วเรายังไม่เบื่อเลยจะมาเบื่ออะไรแค่เจชาติ ตั้งปณิธานอะไรตั้งเป้าหมายอะไรตั้งอยู่ในจิตให้จิตมันจํำมาเออค่าเนี่ยเต็มที่สามห้าเจ็ดชาติเต็มที่พอแล้วที่บางเวียนว่าแต่เกิดต้องตั้งแต่เราไม่เคยคิดเลยแต่นี้ไปต้องคิดต้องตั้งเลยตั้งปณิธา น, น, นเลยตั้งเป้าเลยนี่คือเป้าหมายเลยของชีวิตเรานี่คืออุดมการณ์ของพวกเราซึ่งผระจะบอกหลักการแล้ว อุดมการณ์แล้ววิธีการแล้วบอกหมดทุกอย่างที่คืออุดมการณ์ที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ส่วนจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่การปฏิบัติ ด, ด้วยแต่อย่างแรตั้งไว้ก่อนจิตมันก็จะได้จำว่าเออเรามีเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องป่วยไปวันวันถ้ามีเป้าหมายอย่างเนี้ยจิตมันก็จะจําาอย่างน้อยที่สุดเราปฏิบัติไปปฏิบัติเสรมันก็จะเสี่ยงเรื่องบนจะผดขึ้นมาเออเราไม่ควรจะเกิดมากไปกว่านี้นะแค่นี้ก็พอแล้ว เป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ผู้ที่งไม่บอกอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผู้ยิ่งจะไม่พูดไม่สอนสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แสดงเส้นเรื่องเป็นไปได้อยู่ที่เราขับเคลื่อนปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้นมากน้อยคือขยันขยันนัคือความเพียรนั่นแหละถ้าเขาเพียรมันน้อยมันก็ได้ตามถ้าเขาเพียน ม, นย ม, น ม, ยนมันเยอะเยอะยังพอสันตติคือความต่อเนื่อง ักสติสัมปชัญญะของเรานี่ยค้ามตอนเนื่องมันไม่มีมันไม่ได้เพราตอนนั้นบทแรกของวิปัสรรคคืออาตาดติคือของเพียรนี่แหละก็เพียรย่างเกลียดให้ร้อนคืออันนี้อารตัดติสติมาสัมปชานุสามคำก็รู้กสติล้วนๆสัมปชัญญะเอาความรู้ตัวคือรู้พร้อมรู้ทั้งตัวว่าอะไรมันเกิดขึ้น น, นี้ให้เป็นเครื่องหม้เครื่องมือของอุปสนรคถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้คือเอาุครบสิ่งเหล่านี้ ครอบชาติที่ไม่อยู่มันไม่เกินมันไม่ไกลเกินอื้มอ่ะเป็นอันนี้ก็เป็นแนวแนวคือแนวปฏิบัติสําหรับข้ามคืนวันนี้เป็นขวนและกำลังใจให้วกเราพลังพ่อก็มีภา ร, ระทุระที่ไปทางอื่นต่างอื่นต่อไปทางอื่นก็เป็นประโยชน์คิดแล้วเราไปแล้วมันเป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ทางโลกหรือประโยชน์ทางธรรมอย่างไรก็ออาประโยชน์เป็นที่ตั้ง ยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แต่อย่างไยมันก็เกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นแย่านะ้นเขาจะได้เห็นพระสงฆ์ยั น, นได้กราบได้ว่าเขาเป็นดืะเป็นนิมิตเป็นหมายเป็นบื้องต้นเขบอย่างยังดีอยู่เนี่ยนี่คือว่าทําไมต้องตลาะมันทอเลาะไ ป, ท, ปะทําไม่เกียกับปัจภายนอกเยอะสิ่งอื่นมาถึงวเวลาที่เราจะจะเป็นทําตัวเป็นลูกที่ดีว่าจะได้บอกว่าพ่อเราพูดอย่างนี้นะแม่เราสอนอย่างนี้นะ ถ้าเขาเรียนรูร้ไดกันได้ทำตามก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนั้นส่วนวาสนาบารนีมันแล้วแต่คนมันบอกกันไม่ได้วัดกันไม่ได้ก็ อ, อาจจะมีวาสนาอะไรแต่ยังไม่ถึงโอกาสไม่ถึงเวลาไม่เจอบุคคลที่พอแนะพอนําก็ได้ยังเป็นที่มาว่าทําไมต้องไปซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งก็ถือว่าขออนุโมทนากับเราทุกคนที่มีจิตเจตนาในวันนี้จะลืมจะประมาณ ให้โอกาสเยโก้คือน้องเช่นันนเขาไปนึกไปคิดไปไปฏิบัติมันก็จะสำร็จผลแล ะ, ะริ่มตั้งเป้าหมายเอาไว้เราจะมีเป้าหมายทํางั้นชีวิตเราก็จะรื่นรอ ย, รอยขอขอ ก, รก่ะค่อยเพราะบวนอุตสานกรนมการแสดงธรรมการอธิบายตามนนี้ก็ข อ, อยุที่เอาไว้เป็นตัวดี